สมเด็จพระพุท ธ, ธโฆษาจารย์ฟื้นชุตินทรมหาเถระป ร, ะรียธรรมเก้าวัดสามพระยาตำบลวัดสามพระยาอำเภอพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานาครพุทธศักราช2448ถึง2539 สมาธิเป็นทางที่จะให้เกิดความสงบทางใจส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นชั้นกลางไม่สามารถที่จะกําจัดกิเลสอาสวะให้ขาดสิ้นเชิงไปได้เพียงแต่ทํากิเลสอาสวะหรืออกุศลบาปกรรมให้สงบระ ง, งับด้วยอำนาจสมาธิเหมือนตะกอนน้ำ ที่ตกลงไปอยู่ก้นตุ่มน้ำย่อมจะใสได้แต่เมื่อใดตะกอนนั้นฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ย่อมจะขุ่นได้เช่นกัน ช, ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพนราะฉะนั้นทางแห่งความสงบจึงมีอีกทางหนึ่งคือทางปัญญาปัญญานี้ หมายถึงต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ภายในให้หมดสิ้นไปเห็นเพียงบางส่วนหรือหมดสิ้นเชิงที่ว่าเป็นบางส่วนนั้นหมายความว่ายังตัดกิเลสไม่ได้ทั้งหมดตัดได้เพียงบางส่วนสิ้นเชิงหมายความว่าตัดกิเลสอาสวะ ได้ทั้งหมดปัญญาเป็นอาวุธเล่มสุดท้ายที่พุทธบริษัทจะพึงใช้ประหัตประหารทำลายกิเลสอาสวะแต่ทางที่จะให้เกิดปัญญานั้นที่กล่าวในทางสมาธิ พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสมาหิโตยะถาภูตังปะชานาติผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมรู้ตามความเป็นจริง ก็ได้ทรงยืนยันว่าสมาธินั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งปัญญาจะพึงปฏิเสธมิได้แต่ว่าพระอรหันต์บางจําพวกนั้นไม่อาศัยสมาธิเป็นที่ตั้งดาเนินตรงทางปัญญาที่ท่านเรียกในที่อื่นว่าพระอรหันต์พวกนี้ว่าพระสุขวิปัสสะ ไม่ดาเนินในทางสมาธิมาก่อนดาเนินทางปัญญาโดยตรงปัญญาที่จะบังเกิดขึ้นในหลักของสมาธินั้นเป็นปัญญาชั้นสูงหรืออยู่ในเกณฑ์สูงและปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาสามัญไม่ใช่หมายความว่ารู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์เพียงเท่านี้หมายความว่าปัญญาที่สูงกว่านี้ขึ้นไปตามหลักแห่งปัญญาที่เป็นหลักที่ตั้งแห่งความสงบสงบอย่างสูงนั้นเบื้องต้น ท่านสอนให้ใช้ปัญญากำหนดพิจารณาตามหลักพระไตรลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะพึงเห็นว่าเป็นปัญญาชั้นสูง เจรนาพระไตรลักษ์เพื่อทำลายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับร่างกายสังขารของคนคนเรานั้นย่อมมีความเข้าใจผิดว่าเที่ยงว่าแย่งยืนว่าเป็นตัวตนใครละ่ะก็คือตัวของตัวเองและอย่างยึดถือไปถึงผู้อื่นเห็นว่าตัวของตัวนี้เที่ยง ยั่งยืนไม่ผันแปร ى. เปลี่ยนแปรไปอย่างอื่นได้เป็นตัวเป็นตนผู้อื่นก็คงเป็นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้กำหนดพิจารณาในทางพระไตรลักษ์คืออนิจจาหรือพูดง่ายๆว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความทุกข์ ในที่นี้คือการทนอยู่ไม่ได้นี้เรียกว่าเข้าทางของปัญญาที่จะก่อให้เกิดความสงบชั้นสูง พิจารณาพระไตรลักษ์เพื่อทำลายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับร่างกายสังขารของคนคนเรานั้นย่อมมีความเข้าใจผิดว่าเที่ยงว่ายังยืนว่าเป็นตัวตนใครละ่ะก็คือตัวของตัวเองและยังยึดถือไปถึงผู้อื่นเห็นว่า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 ถ้าดำเนินมาในทางพิจรารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้ตามลำดับและแก่กล้าขึ้นแล้วในที่สุดก็จะเกิดวิญญาณคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ตามความเป็นจริง ที่ตนเคยเห็นว่าเที่ยงก็จะรู้สึกเองว่าไม่จริงที่ตนเคยเห็นว่าไม่ยั่งยืนตั้งมัน่นไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นก็ชวนให้เห็นว่าไม่จริงที่เข้าใจว่าเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนนั้นก็จะเห็นชัดว่าอันนี้ เป็นแต่เพียงภาพมายาคือภาพลวงตาเท่านั้นเองไม่ใช่ความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะเกิดยานความรู้เมื่อเกิดยานความรู้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะต่อไปจนกระทั่งความรู้ที่จะปลดเปลื้อง ความยึดความถือในสิ่งเหล่านี้การปลดเปลื้องความยึดความถือนั้นเป็นตัวชั้นสูงของการปฏิบัติที่จะให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงที่เรียกในพระบาลีว่าอุปาทานเพราะฉะนั้นจิต ที่ถึงความสงบชั้นสูงสุดนั้นจึงเป็นจิตที่ไม่มีความยึดถือด้วยอำนาจยาณคือความรู้ของบุคคลผู้นั้นอุปทานก็ได้แก่ความยึดถือเพราะฉะนั้นในพระสูตรต้นๆที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพุทธสาวกจึงทรงสแสดงอานิสงส์แห่งการประพฤต ปฏิบัติในทางธรรมชั้นสูงกว่าจิตในที่สุดจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะจิตไม่ถือมัน่นกล่าวง่ายๆว่าเมื่อจิตไม่ถือมั่นแล้วหรือไม่มีอุปทานแล้วก็ย่อมจะหลุดพ้นเพราะจิตหลุดพ้นได้นั้น ต้องไม่มีอุปทานถ้าจิตยังมีอุปทานความยึดค ว, ความเกาะความเหนียวอยู่เพียงใดจิตก็จะยังไม่หลุดพ้น เพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นทางปฏิบัติที่จะนำบุคคลถึงความสงบสูงสุดคือหมายความว่าปัญญานี้สามารถที่จะระบายกิเลสอาสวะหรือเรียกในที่อื่นว่าอากุศลบาปธรรมให้หมดสิ้นได้หรือให้หมดไป เป็นบางส่วนแต่เป็นการหมดสิ้นชนิดเด็ดขาด จะหมดสิ้นเชิงหรือหมดสิ้นเฉพาะบางส่วนก็ตามเมื่อกิเลสหมดไปบุคคลก็จะมีแต่ความสงบสุขอันสดใสซึ่งเกิดจากความสงบใจเป็นสำคัญ แห่งความสงบนั้นมีอยู่หลายทางที่บุคคลจะพึงประพฤติได้แต่ที่รวมกล่าวในที่นี้ก็กล่าวตามแนวไตรสิกขาซึ่งเป็นทางปฏิบัติโดยตรงในทางอื่นที่จะปฏิบัติได้นั้นก็อนุโลมเข้าในทางไตรสิกานี้ทั้งสิ้น เช่นบุคคลจะดำเนินตามอริยมรรคแปดประการพระสูตรที่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นทางที่จะให้เกิดความสงบได้อริยมรรคแปดประการนั้นก็เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาสมาธิความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบที่ท่านเรียกว่ามัคแปดความจริงคือศีลสมาธิปัญญานั่นเอง พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้บุคคลพอกพูนทางแห่งความสงบก็คือพอกพูนในทางไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาหรือจะพอกพูนธรรมะปฏิบัติในทางใดๆที่ใดๆก็ได้แต่ธรรมะปฏิบัติเหล่านั้นก็ไม่พ้นไปจากไตรสิกขาคือศีลสมาธิ ปัญญาเพราะความสงบเป็นตัวความสุขอย่างสำคัญสุขอย่างอื่นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เท่ากับความสงบสุขดังที่ตรัสไว้ว่านาถิสันติปรมังสุขขัง ความสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีคือหมายความว่าบรรดาความสุขนั้นมีความสงบเป็นอยู่ดีของความสุข ความสุขอื่นอาจจะมีตามที่คนรู้สึกแต่ก็ไม่ใช่เป็นความสุขชั้นยอดความสุขชั้นยอดนั้นอยู่ที่ความสงบเพราะเป็นความสุขทั้งแก่ตนเป็นความสุขทั้งแก่ผู้อื่นแต่ความสุขอันนี้ เป็นความสุขยั่งยืนเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตนในทางกายวาจาและใจให้เป็นไปเพื่อสันติสันติก็มีทั้งเบื้องตน้นท่ามกลางและสูงสุด สงบชั้นอันใดๆก็ตามล้วนทำให้เกิดความสุขได้ทั้งสิ้นเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนพุทธบริษัทให้พอกพูน ทางแห่งความสงบเพราะความสงบจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องลงมือปฏิบัติความสงบเกิดเองไม่ได้ทางปฏิบัตินั่นแหละเรียกมัจคือต้องดําเนินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพูดอย่างทันสมัยก็ว่าต้องปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึ่งความสงบจึงเกิดได้ด้วยประการชานี้